มาจากที่ไหนกาญจเกิมามาจากที่ไหนไม่เคยมาเลยค่ะนั่นสิมาจากที่ไหนมาจากพัทยาเลยค่ะอ๋อมาจากรู้จากที่นี่ได้ยังไงพอดีมีมีคนเขาแนะนำมาเจ้าค่ะอ่าค่ะแนะนําว่าไงพอดีไปวัดเทพปบูร์ก็บอกว่าทีแรกก็อยากจะอ่าไปบวชที่พาแล้วก็บอกว่า ไม่ต้องบวชหรอกมานั่งฟังให้มานั่งฟังทที่เนี่ยนะคะก็เลยมาจะไปบวชบวชยังไงอ๋อบทพามได้เฉยค่ะสงบสติอารมณ์ก<อ>็ <c oughs> จะบวชกี่วันแค่สามวันนะคะเพราะทำงานอยู่ด้วยแล้วยังจะบวชเยอวเป่า ก็ควรจะบวชถ้าอยากจะบวชก็ควรจะบวชเพราะฟังธรรมอย่างเดียวมันไม่พอฟังธรรมเพื่อจะได้เอาไปใช้ในการบวชถ้าไม่ฟังก่อนเดี๋ยวไปบวชก็ไม่รู้บวชบวชทำไมถ้าฟังแล้วจะรู้ว่าเวลาบวชเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราจะได้ผลที่เราต้องกา ร, ค, รคือความสบายใจ การมาบวชก็เพื่อให้เราปล่อยวางเรื่องวุ่นวายต่างๆชั่วข้าวเพราะที่เราไม่สบายใจก็เพราะเรื่องต่างๆที่เราเกี่ยวข้องอยู่ยมันไม่เป็นมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราไม่สบายใจใถ้าเรามาบวชเราก็จะได้ทิ้งมันไว้ชั่วข้าวพอไม่คิดถึงมันเรื่องวุ่นวายใจต่างๆก็เบาไป หรือหายไปแต่มันถ้าเรากลับไปหามันใหม่เดี๋ยวก็จะเป็นใหม่งนั้นก่อนจะกลับไปเราต้องหาวิธีกลับไปโดยที่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องไม่สบายใจกับมันเพราะว่ามีวิธีที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจไปกับเรื่องราวต่างๆถ้าเรารู้จักทำใจ ทำใจให้เฉยทำใจให้ปล่อยวางอย่าไปอยากอะไรกับเขาเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาไปถ้าเราไม่อยากล้าเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็จะไม่สบายใจทีนี้ ถ้าเรายังหยุดใจไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้เราก็ต้องมาหัดมาฝึกหยุดมันเพราะใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่มันวิ่งโดยไม่มีเบรกเวลารถมันไม่มีเบรกมันจะทำยังไงมันก็จอดไม่ได้ใช่ไมมันก็ของเราไม่ได้ใช่ไหมอยากดได้อะไรแล้ว ก, ก็อยากอยู่นั่น ถ้าไม่ได้ก็เสียใจถ้าได้ก็ดีใจอล้วเดี๋ยวก็อยากใหม่อีกเอได้เรื่องนี้แล้วก็อยากจะได้เรื่องนั้นต่อได้สิ่งนั้นแล้วก็อยากจะได้สิ่งนี้ต่อเพราะเราไม่มีเบงกพอมันก็จะมันก็ลุดวิ่งไปเรื่อยๆพอถึงตรงนี้ก็วิ่งไปตรงนั้นต่อพอไปถึงตรงนู้นก็วิ่งไปต่อหยุดไม่ได้มันก็ไปจะอยากเสมอไป ถ้าได้ก็ดีใจแล้วก็อยากใหม่เฮิมเกลเรียกว่าเฮิมเกลพอได้แล้วก็อยากจะได้อีกพอไม่ได้ขึ้นมาก็ผิดหวังเสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีเสียใจมากๆก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะความเสียใจมันทรมานมันทรมานใจมาก อยู่แล้วไม่มีความสุขมันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมเนี่ยถ้าถึงขีดนั้นแล้วต้องรีบไปเข้าวัดแนละ้วถ้าคิดอยากจะฆ่าตัวตายนี่ก็ต้องไปเข้าวัดไปติดเบรกไปหาวิธีปิดปิดเบรกหยุดความอยากเอ๋อการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้แก้ปัญหาฆ่าตัวตายไปความอยากก็ยังมีอยู่ ความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจร่างกายตายไปใจก็ยังไม่ตายใจยังอยู่ต่อความอยากก็ยังอยู่ต่อความทุกข์ก็ยังอยู่ต่อไปเหตนันเวลาทุกข์ทรมานใจนี้ต้องหยุดความอยากเช่นอยากให้ก็ต้องตัดใจถ้ามันไม่จะมันไม่กำไรก็ ยอมขาดทุนแค่นี้แล้วก็ปิดร้านเสียปิดกิจการเสีอยออ่าไปดันทุนแรงไปทําอะไรอย่างอื่นดีกว่าทําแล้วพอจะได้กําไรถึงแม้จะไม่มากก็ยังดีกว่าขาดทุนไปขายขนมครบก็ยังดีกว่ามาเปิดร้านขายเพชรแล้ขาดทุนนขายขนมครบวันหนึ่งกําไรละร้อยสองร้อยก็ยังดีกว่า เปิดร้านขายเพชรแล้วขาดทุนวัละหมื่นสองหมื่นไม่มีคนมาซื้อมีแต่รายจ่ายนี่เราต้องหยุดความอยากเราให้ได้หยุดได้แล้วใจก็จะสบายเพราะความจริงเราไม่ต้องมีอะไรมากเราก็อยู่ได้มีข้าวกินวันละมื้อนี่ก็อยู่ได้แล้ว เห็ต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านที่มีเงินเยอะๆก็เพราะอยากเพราะมีความอยากจะซื้อจะใช้เงินนั้นเองถึงต้องมีเงินเยอะ ๆ, ๆถ้ามีเงินแล้วเห็นหนั่นนู่นก็ชอบเห็นนี่ก็ชอบก็อยากได้อยากซื้อขึ้นมาซื้อมาแล้วเป็นไงก็เหมือนเดิมซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็อยากใหม่ซื้อเสื้อผ้ามากี่ชุดนะซื้อกระเป๋ามากี่ใบนะ ลองเท้ามากี่คู่นะแล้วมันทำให้เราอิ่มทำให้เราพอไหมทำให้เราสบายใจไหมทำให้เราหายอยากไนมะมันไม่หายหรอกมันก็มีแต่เพิ่มความอยากไปเรื่อยๆฉั้นเราต้องรู้ว่าความไม่สบายใจของเราเนี่ยเกิดจากความเเองแล้วพอเราไม่ได้ดังใจอยาก ไ, ได้อย่างไร มาบังคับใจเราสิมาบังคับใจเราให้อยากไปอยากเมื่อก่อนเราไม่อยากเราก็อยู่ได้ไม่ใช่เลยเมื่อก่อนเราไม่อยากได้สิ่งนี้ไม่อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยู่กันมาได้ไม่ใช่เลอทำไมตอนนี้พออยากแล้วทำไมอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันทรมานใจมันอยากแล้วไม่ได้ดําใจอยากมันทรมานใจ จะหยุดมันก็ไม่มีกําลังหยุดมันเวลามันอยากอะไรขึ้นมานี่ก็ยากที่จะหยุดมันได้เพราะเราไม่มีเบรกกันเราไม่เคยเราไม่เคยหยุดความอยากกันเรามีแต่ทําตามความอยากกันอยากได้อะไรปุ๊บซื้อมาเลยมีเงินก็ซื้อมาเลยไม่มีเงินก็ลูดบัตรไปก่อน เ, อเดี๋ยวก็เป็นหนี้สินหนุนหลังเ อย่างก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นี่สินอีกก็ทุกข์อีกทุกข์พาะกลัวจะต้องใช้นี่<ม>ใช้กรรมเวลาไม่มี เ, เมงินใช้นี้องทำไงกันบ้างเวลาไปรูดบัตรเกินแล้วไม่มีเงินจ่ายธนาคารกขาทำไงเขาก็ยึดบัตรไปยืดบัตรกระซื้ออะไรไม่ได้นละ แล้วก็ยังส่งคนมาทวงเงินอีกเห็นไหมในเงินเดี๋ยวก็ส่งคนมายึดทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเราไปอีกเพราะความอยากอยากได้อะไรก็ซื้อมันอยากได้อะไรก็ซื้อมันซื้อแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายซื้อซื้อด้วยเครดิตซื้อด้วยบัตร พอถึงเวลาจ่ายไม่มีเงินจ่ายบัตรบัตรเขาก็เขาก็ปิดบัญชีแล้วแล้วเขาก็มาตามเก็บหนี้มาถวงนี้น้เราต้องรู้จักหยุดความอยากถ้าจะอยากก็อยากในสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆจะอยากในปัจจัยสี่อยากในอาหารอยารักษาโรค เสื่อผ้าเครื่องนุงห่มที่อยู่อาศัยถ้ามีแล้วก็พอแล้วถ้ามีพอแล้วก็สบายแล้วอย่าไปอยากอย่างอื่นเก็บเงินไว้ดีกว่าเผื่อวันข้างหน้าไม่มีเงไม่มีรายได้ก็จะไม่เดือดร้อนมีเงินเก็บสำรองไว้เงินเก็บไว้ในธนาคารมันงอกขึ้นมา ตั้งเงินไปใช้นี่มันไม่งอกมันหายไปเลยใช้แล้วก็สนุกเดียวเดียวดีใจเดียวเดียวแล้วก็หมดไปเวลาเดือดร้อนก็ไม่มีเงินสรมปองเห็นเราต้องลดความอยากเราพระตจ้าสอนให้พวกเราในความมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คืออย่าเอามาก อย่าปอยากมากอย่าไปโลภมากเอาน้อ ย, อยเอาเท่าที่เอาเท่าที่จำเป็นคือของใช้เนี่ยขอให้มีเขาของเท่าที่จำเป็นก็พอเสื้อผ้าสักสองสามชุดก็พอรองเท้าสักคู่เดียวก็พอเท้าก็มีคู่เดียวทำไมต้องมีรองเท้ารองสิบคู่เวลาใสา่ใส่ทีละสิบคู่ก็ใส่ทีละคู่ก็คู่เดียวนี่แหละ ใส่ไปจงก่่นมันจะขาดใส่ไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่อันนี้ก็จะไม่ต้องใช้เงินเยอะเงินก็จะเหลือใช้พอใช้มีเงินเก็บเวลาไม่มีงานทำไม่มีรายได้ก็ยังมีเงินใช้อยู่เพราะเราต้องใช้ซื้ออาหารทุกวันร่นางกายมันต้องกินแต่เสื้อผ้ามันไม่ต้องซื้อทุกวัน ยารักษาโรค ก, ก็ไม่ได้ซื้อทุกวันซื้อแต่เวลาไม่สบายบ้านเช่าก็ถ้าเช่าก็ต้องจ่ายทุกวันหรือจ่ายเป็นเดือนถ้าซื้อบ้านผ่อนก็ต้องผ่อนบ้านก็มีค่าใช้ใจ่ายหลักๆก็อยู่แค่นี้ล่ะถ้านเราไม่ไม่มีความอยากไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ เราก็ไม่ต้องวุ่นวายใจมากนะเพราะถ้าเราซื้อมากเราก็ต้องหามากต้องหาเงินมากพอหาเงินมากพอหาไม่ได้ก็เครียดวุ่นวายไม่สบายใจหรือถ้าเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นตามใจอยากเราก็เครียดขึ้นมาอีกทาให้เราไม่สบายใจ เราไปแก้เขาไม่ได้เราควรจะมองเข้าเหมือนฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเราไปแก้ดินฟ้าอากาศได้ไหมมันจะหนาวเราบอกไม่เอาได้ไหมให้มันร้อนได้ไหมมันร้อนจะให้บอกให้มันเย็นได้ไหมไม่ได้แต่ทำไมเราอยู่กับมันได้หนาวเราก็อยู่ได้เย็นร้อนเราก็อยู่ได้ฝนตกเราก็อยู่ได้เพราะเราทำใจได้ เราไม่ไปยุ่งกับเขาเราไม่ไปอยากไปเปลี่ยนเขาปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะร้อนก็ปล่อยเขาร้อนไปเขาจะเย็นก็ปล่อยเขาเย็นไปเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติกับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนแนละสิ่งของต่างๆเป็นเหมือนกับลินฟ้าอากาศอย่าไปอยากให้เขาเป็นตามใจเราแล้วเราจะไม่เสียใจ หรือถ้าจะอยากก็ต้องอยากกับสิ่งที่เราทำได้สั่งได้ถ้าอันไหนเราทําได้เราก็ทำไปได้สั่งได้เราก็สั่งไปแต่อันไหนเราสั่งไม่ได้ทำไม่ได้เราก็ต้องหยุดถ้าไปอยากเราจะไม่ได้ดังใจอยากจะเสียใจเราจะโกรธทีนี้เรามันไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากของเรา เรหยุดมันได้ไหมหยุดความแก่ได้ไหมหยุดความอยากไม่แก่ได้หยุดไม่ได้ทั้งสองอย่างความแก่ก็หยุดไม่ได้ความอยากไม่แก่ก็หยุดไม่ได้อยากจะสาวอยากจะรออยากจะหนุ่มไปเรื่อยๆก็ต้องไปทำสัญญกรรมไปทำอะไรกันวุ่ น, นวายไปหมดล้วทำยังไงเดี๋ยวมันก็แก่อยู่ดีอยากไม่เจ็บไา้ได้ป่วย สั่งให้ร่างกายมันไม่เจ็บไายได้ป่วยได้ไหมก็ไม่ได้หยุดความอยากไม่เจ็บไขยได้ป่วยได้ไหัหยก็ไม่ได้พอเกิดความเจ็บไายได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่สบายใจขึ้นมานทีแต่ความจริงถ้าเราฝึกใจฝึกทำใจเราสามารถหยุดความอยากไม่แก่ได้อยากไม่เจ็บได้อยากไม่ตายได้ ถ้าเราหยุดความอยากได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเราก็จะเฉยเฉยเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจดันงนั้นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือมาหยุดสิ่งที่เราหยุดได้ก็คือใจเรานี้เราหยุดได้แต่เราต้องรู้วิธีหยุดมันตอนนี้เราไม่รู้จักวิธีหยุดมัน วิธีหยุดความอยากก็คือต้องหยุดความคิดอยากไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เราอยากแล้วเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนแต่พอไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากปั๊บนี่มันจะเดือดร้อนใจขึ้นมาทันทียังต้องเดิมใจอยากไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเดือดร้อนพอเราไม่คิดแล้วความอยากให้ เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะหายไปพอมันหายไปเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรล้วก็สบายใจแต่พอเรากลับไปเจอมันอีกมันก็จะเดือดร้อนขึ้นมาอีกเพราะความอยากมันยังไม่ได้ตายพอเห็นนะพอเห็นกับตามันก็อยากขึ้นมาอีกตอนนั้นเราก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งถ้าอยากจะให้มันหายหายแบบถาวรหายแบบอยู่กับมันได้ มันจะเป็นยังไงเราก็อยู่กับมันได้เราก็ต้องใช้ปัญญาเพราะพระเจ้าบอกทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันมันเป็นของมันอยู่อย่างั้นเนี่ยเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้หรอกเช่นผลไม้นี่เราไปเปลี่ยนมันได้ไหมเปลี่ยนให้ส้มไปเป็นกล้วยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราจึงไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเราจึงไม่มีความอยากจะเปลี่ยนกล้วยให้เป็นส้มใช่ไหมเพราะอะไร พอเรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องเหมือนก็เหมือนกันเปลี่ยนให้คนนั้นเป็นอย่างนี้ได้เขาเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนให้เขาเป็นอีงอย่างได้ก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วทำไมไปอยากเปลี่ยนกันลาะมพอไปคิดว่าเปลี่ยนได้แต่มันเปลี่ยนไม่ได้เขาก็เป็นเหมือนผลไม้เขาก็เป็นส้มเราอยากไปเปลี่ยนให้เป็นกล้วยเราก็วุ่นวายใจไปทนั้นเอง เสียใจเวลาเขาไม่เปลี่ยนตามที่เราอยากให้ก็เปลี่ยนเวลาเราอยากให้ก็เป็นไม่เป็นทำมาหากินอยากจะให้เจริญงุ่งเรืองไม่แต่รวยแต่ไม่ไม่รวยทันทีนี่ทำไงเขาก็เปลี่ยนมันไม่ได้มันมันไม่ยอมรวยแล้วจะไปบังคับให้มันรวยได้ไงมันไม่รวยก็อยู่กับมันไปแต่ขอทานเขายังอยู่ได้วันที่ขอทานเขามีความสุขมากกว่าเราเองเพราะเขาไม่มีความอยากรวยเหมือนเรา เรู้ว่าเขารวยไม่ได้แล้วก็เลยยอมรับความจริงกูไม่รวยไม่เป็นไรกูขอให้มีกินไปวันวันึก็พอแนละ้วเราต้องลดความอยากลงถ้ารวยไม่ได้ก็ขอให้มีกินไปวันวันหนึ่งก็พอแนละ้วถ้าแค่แค่นี้ก็สบายใจแนละ้วเปรียบเทียบพอขอทานบ้างดูคนที่เขาแยก่กับเราบ้างทําไมเขาอยู่ได้อย่างมีความสุขทําไมเราอยู่ อยู่แบบเขาไม่ได้ทาไมเราถึงต้องทุกข์ทั้งๆ ท, ท, ที่เรามีมากกว่าเขาก็เพราะเรามีความอยากมากกว่าเขานั่นเองอย่างเคยเล่าให้ฟังว่าคนสองคนนี่มีเงินเท่ากันแต่คนหนึ่งทุกข์คนหนึ่งสุขเชื่องไหมมีเงินเท่ากันแต่คนหนึ่งมีความสุขแต่อีกคนหนึ่งมีความทุกข์ทุกข์เพราะความอยากนี่แหละเป็นคนที่มีความสุขเพราะว่าเามี คนที่มีเงินล้านสองคนเนี่ยคนหนึ่งมีความสุขอีกคนหนึ่งมีความทุกข์เพราะว่าคนที่มีความสุขเพราะว่าเมื่อก่อนก็มีแค่แสนเดียวแล้วก็ถูกกัตตอรี่ได้เงินมาเป็นหนึ่งล้านเอเขาก็มีความสุขอีกคนหนึ่งเคยมีสิบล้านแล้วถูกเขาโกงไปเหลือล้านเดียวเขานั้นก็มีความทุกข์ขึ้นมาเพราะเสียดายเพราะไม่อยากเสียเงินเก้าล้านไป แต่มันเสียไปแล้วจะทําทไงคนสองคนมีเงินเท่ากันแต่คนหนึ่งมีความสุขอีกคนนึงมีความทุกข์ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เงินเท่ากันมันน่าจะมีความสุขเท่ากันใช่ไม้มคนที่มีร้านทั้งทั้งคู่ทําไมคนหนึ่งทุกข์ทำไมคนหนึ่งสุขอ่ะไอ้คิดอย่างนี้มากมเวลาเรามี เงินเหนือล้านนย่างเราคิดว่าอ๋อเมื่อก่อนนี้เรามีแค่แสนเดียวตอนนี้เรายังมีต้องล้านหนึ่งควรจะดีใจอย่าไปคิดว่าเมื่อก่อนเรามีสิบล้านเดี๋ยวนี้เราเหลือล้านเดียวถ้าคิดอย่างนี้ก็ทุกข์ขึ้นมาอยู่ที่ความคิดของเราเราจะคิดยังไงก็ได้คิดให้เราทุกข์ก็ได้คิดให้เราสุขก็ได้คนฉลาดก็ถึงคิดคิดให้สุขเนี่ยคิดว่าเราเป็นขอทานเนี่ย ถ้าคิดว่าเป็นขอทานแล้วได้บาทนึงก็ดีใจแล้วได้สิบบาทก็ยิ่งดีใจถ้าเสียไปหลือสูก็ไม่เสียได้เพราะว่ามันก็มีมันก็เสียมันก็สูญอยู่ทุกวันเป็นขอทานมันก็ไม่มีได้มาเดี๋ยวก็ใช้ไปหมดอยู่ดีเนี่ยมากน้อยให้เรายินดีกับสิ่งน้อยๆยให้อยู่กับสิ่งนน้อยให้ได้ ให้อยู่กับการมีน้อยๆให้ได้เราจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าต้องมีมากๆถึงจะมีความสุขแล้วมีมากเท่าไหร่ถึงจะสุขล่ะมากหนึ่งล้านหรือมากสิบล้านหรือมากร้อยล้านหรือมากพัน 1, ล้านมันก็ไม่สุขเหมือนกันแหละถ้ามันไม่พอถ้ามันยังอยากอ ย, กอยู่มีพันล้านก็ยังอยาก ย, ย, ยังไม่สุขอีกนะ งั้นให้เรากลับมาที่ศูนย์ดีกว่าหัดมาอยู่แบบศูนย์อยู่แบบไม่มีอะไรมักน้อยมักน้อยก็ศูนย์มักศูนย์เลย อ, อยู่ตามมีตามเกิดมีล้านหนึ่งก็โอเคมีแสนหนึ่งก็โอเคมีพันหนึ่งก็โอเคตามมีตามเกิดอยากไปอยาคมันมีมากกว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะไม่ทูกกัน ถ้าอยากจะมีมากกว่าที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็ไม่สุขแล้วไม่ว่าจะมีล้านหนึ่งหรือสิบร้านก็ไม่สุขแล้วความสุขใจอยู่ที่คําว่าพอความทุกข์ใจอยู่ที่ความว่าไม่พอไม่พอก็คืออยากนั่นเองถ้าพอก็แสดงว่าไม่อยากแล้วถ้าไม่อยากแล้วก็สบายเอาแค่นี้แหละมีแค่ไหนก็เอาเท่านั้นแหละ เดี๋ยวมันก็ตายมีสิบล้านก็ตายอดตายด้วยกันทุกคนคนมีร้อยล้านเวลามันจะตายมันก็กินไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมมันก็อดตายเหมือนกันนะไม่มีใครไม่อดตายหรอกต้องอดตายด้วยกันทุกคนมีร้อยล้านมีพันล้านก็ต้องอดตายเพราะกินไม่ได้นั่น <c oughs> อย่าไปกลัวตายอย่าไปกลัวอดตายกลัวความอยากดีกว่าท่าจะกลัวอะไรให้กลัวความอยาก มันโผล่ขึ้นมา น, นี่ข่ามันเลยวิธีใช้วิธีหยุดมันก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงมันมันอยากจะได้อะร้รเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดยล้เดี๋ยวพอไม่คิดปั๊บมันก็หายอยากลืมไปหรือว่าถ้าจะใช้ปัญญาก็คิดว่าอยากแล้วถ้าไม่ได้จะทำยังไงอยากได้มันแล้วก็เสียไปจะทำยังไง ของทุกอย่างที่เราได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเสียไปไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปเพราะว่าเรามาตัวเปล่าๆ เ, เดี๋ยวเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าๆ เ, เราไม่ได้เอาอะไรมาเราไม่ได้เอาอะไรไปเงินร้อยล้านพันล้านนี่เอาเราเอาไปไม่ได้สามีภรรยาบุตรธิดาเราเอาไปไม่ได้บ้านช่องทรัพสมบัติสิ่งของต่างๆรถยนต์ แก้วแหวนเพชนินจินดาเครื่องอเครื่องสำอางเสื้อผ้าอะไรตา่างๆเอาไปไม่ได้เลยเราจะได้ไม่หลงกันไม่ร่มหลงกันไม่คิดกันว่าเดี๋ยวก็ต้องทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเวลาตายไปนี้เอาอะไรไปไม่ได้เวลาอยู่ก็เครียดกับมันหามันแทบเป็นแทบตายหามาแล้วก็ไม่พอหาอยู่เรื่อยๆ แล้วเวลาต้องจากมันก็เสียใจยนันมหัดมาหัดทำใจไม่ให้เสียใจกับสิ่งต่างๆนี่เพราะวันหนึ่งเราต้องจากมันไปวิธีที่จะทําให้เราไม่เสียใจก็คืออ ย, ายา่าไปอยากอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดต้องรู้ว่าเขาจะต้องจากเราไปเราจะต้องจากเขาไป เต็มตัวเตยมใจอยู่แบบไม่มีหัดอยู่แบบไม่มีวิธีอยู่แบบไม่มีก็นั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธไปตอนนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรแลวเวลานั่งสมาธินี่เราไม่ต้องใช้อะไรแลเงินก็ไม่ต้องใช้ข้าวของเงินทองต่างๆไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้นกายก็ไม่ต้องใช้นางกายนี้นก็ไม่ต้องใช้พอเรานั่งเฉยๆก็มีความสุขได้ ต่อไปเราก็ไม <gen> in uh ่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินมีทอไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขจากการนั่งเฉยๆอยู่มีความสุขกับการไม่มีอะไรเมื่อเรามีความสุขกับการไม่มีอะไรเวลาเราต้องเสียอะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราอยู่กับการไม่มีอะไรได้เราอยู่กับศูนย์ได้ อยู่กับความว่างได้อยู่กับศูนย์อย่างเนี่ยนิบานังปรมังศูนย์หยั่งเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่กับความศูนย์ใจของพุทธเจ้า น, นี้ไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรอยู่เฉยๆได้แล้วก็เป็นความสุขอย่างยิ่งนิบานังปรมังสุขขังเนี่ยการที่เราอยู่เฉยๆอยู่กับความว่างได้เนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่ง ความหมายเป็นอย่างนี้การที่อยู่โดยไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีข้าวของไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมียศไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีอะไรนะเพียงแต่ให้ทําใจให้อยู่เฉยๆให้ได้เท่านั้นเราก็จะมีความสุขทําใจให้นิ่งไม่ให้มีความอยากได้ก็สบายแล้ว สบายไปตลอดด้วยเพราะใจไม่ตายไปกับร่างกายแล้วความสงบความสุขที่เราทำได้นี้มันก็จะอยู่กับใจไปตลอดแล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมาเหนื่อยกับการหาข้าวของเงินทองหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย คอนที่อยู่เฉยๆแล้มีความสุขได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองไม่ต้องมีคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขสบายจะตายไปความสุขแบบนี้ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องทำอะไร ก, กับไม่ทำกันชอบไปดิ้นลนกันไปดิ้นโนหาเงินหาทองหาเท่าไหร่ก็ไม่พอ แ้วเด๋ยวเวลาจะตายก็ต้องเสียไปหมดหามาทําไมหาให้เหนื่อยยากเวลาหาก็เหนื่อยเวลาได้มาก็เหนื่อยต้องได้มาแล้วก็ต้องดูแลรักษามันเองแล้วเดี๋ยวเวลามันหายไปเวลามันจากเราไปก็เสียใจชั่วนั่งเฉยๆไม่ได้นั่งเฉยๆหลับตาพุโทโธพุโทโธไปพอใจนิ่งสงบแล้วมีความสุขแล้ว ไม่ต้องมีอะไรเนี่ยที่ให้ไปบวชให้ไปทำอย่างนี้เข้าใจไหมทาได้ไหมไปนั่งเฉยเฉยให้หลับตาถ้ายัางนั่งเฉยเฉยไม่ได้ก็ให้นั่งสวดมนต์ไปก่อนอถ้าไม่สวดมนต์เดี๋ยวก็คิดถึงนี่นู่นคิดถึงไี่นี่ขึ้นมาเดี๋ยวก็อยากได้ขึ้นม า, าไปบวชแล้วก็ต้องไปสวดมนต์กันไปนั่งสมาธิกันไปฟังเทศกันเนี่ยฟังเทศก็จะได้ปรงได้ ให้รู้ว่าปัญหาของเรามันอยู่ตรงไหนกันแนะ่อยู่ตรงที่มีเงินล้านหนึ่งแล้วอยู่ตรงที่อยากให้มันมีมากกว่านั้นก่อนที่มีเงินล้านแต่เขาพอละเขาไม่อยากได้มากเขาก็มีความสุขแล้ะเมื่อก่อนเขามีแสนเดียวตอนนี้เขาได้ล้านหนึ่งโอ้เขาก็ดีใจละมีความสุขละไเรามีละเมื่อก่อนมีสิบล้านเหลือล้านหนึ่งก็เสียใจเพราะอยากจะได้คืนมาอยากจะได้สิบล้านคืนมา งั้นปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากอยากที่จะไปได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สิ่งต่างๆเราไปบังคับมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้งั้นถ้าไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปอยากดีกว่าพออยากแล้วมันก็กำลัได้ล้านหนึ่งแล้วก็อยากจะเปิดอีกร้านหนึ่งเป็นสองล้านเดี๋ยวก็อยากจะเปิดสามล้านสี่ล้านไปเรื่อยๆ พอยิ่งมากก็ไปปวดหัวไหมต้องคอยไปเก็บเงินนับเงินคอยไปเฝ้าลูกน้องว่ามันขายของมันอมเงินเราหรือเปล่าเขาโมยเงินเราหรือเปล่าเวลาเราไม่อยู่มันเล่นกันหรือเปล่าหรือมันขายของกันมันก็แทนที่จะมีความสุขก็มาทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ยังวิธีที่จะมีความสุขก็ต้องทําใจให้พอนั่นเอง ใจจะพอก็ต้องหยุดความนี้ก็สุขถ้ายังไม่พอก็ทุกข์ฉะนั้นอาจไปทําใจให้พอซะอาจไปนั่งเฉยๆลองนั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงได้ไหมไม่ต้องทําอะไรหาเก้าอี้สบายสบายไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องกินไม่ต้องดืม่มนอกจากน้ําให้ดืม่มน้ําอย่างเดียวหาเก้าอี้สบายนั่งให้สบายแต่ให้นั่งแล้ให้นั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรสักหกชั่วโมง เหมือนนั่งเครื่องบินไปญี่ปุ่นนียนั่งหกชั่วโมงทไมเวลานั่งเครื่องไปญี่ปุ่นนั่งได้พออยู่ที่บ้านให้นั่งเฉยๆทำไมนั่งไม่ได้เรานั่งเฉยๆดูเ็จสบายจะตายไปไม่ต้องทำอะไรทาไมต้องไปเหนื่อยทำนู่นทานี่ทำแล้วได้อะไรขึ้นมาทำแล้วก็อยากจะทำไปเรื่อยๆที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะเราเคยทำอะไรมาจนชิน เคยอยากทํานู่นทํานี่ตลอดเวลามันยอยู่เฉยๆไม่ได้พอให้อยู่เฉยๆอยู่ให้สบายกับอยู่ไม่เป็นสุขต้องทํานู่นต้องนี้นี่ต้องกินนู่นต้องดื่มนี่ถึงจะมีความสุขแล้วถ้าไปเจอวันที่กินไม่ได้ดื่มไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้จะทํำยัำยงไงก็ทุกข์เลยเวลาไม่สบายใจเวลาร่างกายไม่สบายถึงทุกข์กันเนี่ยเพราะไม่สามารถทําตามความอยากได้ ถ้าเราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องทําอะไรได้เวลาร่างกายไม่สบายเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็เราก็อยู่เฉยๆได้มีความสุขได้มีความสุขกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้ไม่เดือดร้อนเพราะความสุขของใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายขึ้นอยู่กับการอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าถ้าอยู่เฉยๆได้ไม่มีความอยากก็จะมีความสุข ถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ต่อให้มีอะไรมากมายกายกองก็ไม่มีสุขอยู่ดีมันก็ยังอยู่เฉยๆไม่ได้มันก็ยังต้องไปทำนูนน่นทำนี่ไปหาห น, น, นู่นหานี่นั่นหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอการไปบวชนี่ก็เพื่อเป็นการไปหยุดใจไปติดเบรกเหมือนรถยนต์จอดมันบ้างวิ่งทั้งวันเครื่องร้อนจอดพักให้มันเย็นบ้าง ใจเรานี่ร้อนตลอดเวลาใช่ไหมไม่ค่อยมีความเย็นเลยน้อนกับเรื่อง น, อน้อนนอนกับเรื่องนี้วุ่นวายไปหมดเรามาหยุดกันนั่งเลยหยุดความอยากให้มันเฉยเฉยอย่าไปคิดอะไรอย่าไปพูดอะไรอย่าไปทําอะไรทักพักหนึ่งเราจะเย็นจะสบายมีความสุขเราไม่ต้องมีมากเอนี่ยพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่มีมากท่านมีสมบัติแค่แปดชิ้นเท่านั้นมีบาทใบหนึ่ง ไว้หาข้าวกินมีจีวรสามผืนไว้ใส่เป็นเครื่องนุ่งห่มมีที่กรงหนวดมีไม้ใบมีดโกนให้กรนผมกรนหนวดมีเข็มขัดลัดเอวหเส้นมีเข็มกลับได้ไว้ซ่อมจีวรเวลาเป็นขาดแล้วก็มีที่กรองน้าอย่างนั้นนี่คือสมบัติของคนที่มีความพอแค่นี้หล่ะมีความสุขละมีความสุขมากกว่าคนมีสมบัติแปดล้านก็ แปดร้อยล้านแปดพันล้านสู้คนที่มีสมบัติแปดชิ้นแบบพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะได้มากไปกว่า น, นั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยอยากจะมีมากกว่าสมบัติที่มีอยู่แค่แปดชิ้นนี้เคยมีมากกว่านี้ก็อยู่ในวงังมีปราสาทสามฤดูมีลูกน้องมีนางสนมกำนันมาคอยบริการทุกรูปแบบแต่มันไม่สุขมันไม่สุขเหมือนกับการอยู่เฉย รู้จักหาความสุขอย่างแท้จริงต้องอยู่แบบนั้นอยู่เฉยๆหเห็นพระพุทธรูปไหมมีพระพุทธรูปอยู่ในท่าอื่นไหมมีท่ายิงปืนท่าขี่จักรยานท่าว่ายน้ำท่าทานู่นทํานี่เป่ไม่มีอ่ะมีแต่ท่านั่งเฉยๆเห็นเนี่ยเขาสอนโบราณก็สอนวิธีหาความสุขเนี่ยให้ดูพระพุทธรูปกันนะเวลากราบพระนี่ให้อย่าไปขอได้อยางนด้น่นอยากได้นี่น พระพุทธรูปบอกว่าให้นั่งเฉยๆให้พุทโธพุทโธให้เรากล่าวพลานี้ขอให้รวยขอให้ได้นู่นขอให้ได้นี่แสดงว่าเราโง่ไม่เข้าใจความหมายของพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปนี้มีไว้สอนเราให้เราอยู่เฉยๆให้เรารู้ว่าความสุขของเราอยู่ที่การนั่งเฉยๆนั่งแบบพระพุทธเจ้าเนี้ยลองนั่งดูสิจะมีความสุขมากเราจะไม่อยากได้อะไร ไม่ใช่พอเจอพระพุทธรูปก็กะขอนน่นขอนี่เลยขอให้ถูกหวยบ้างข อ, ขอให้ได้นู่นขอให้ได้นี่แล้วมันได้บ่าบางทีก็ไม่ได้ได้กบ็บางทีก็ได้ได้แล้วก็ไม่พอได้แล้วก็ขอใหม่กลับมาขอใหม่อีกพอไม่ได้ก็เสียใจ วิธีหาความสุขต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เคยหาความสุขจากทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆแต่ตอนหลังท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเพราะต้องมีสักวันที่จะต้องจากมันไปหรือสักวันหนึงจะใช้มันไม่ได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่ทรัพ ส, สมบัติข้าวของเงินทองมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะใชยมันได้นะ ตอนนั้นก็มีแต่ความทุกข์ใจทุกทรมานใจท้านเลยไม่เอาความสุขแบบนี้มาหาความสุขแบบที่ไม่ทุกข์ดีกว่ า, า ก, การอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรท่านี้ก็ะจกถ้าอยู่ความอยากได้แล้วก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดมีสมบัติแค่แปดชิ้นก็พอ มีบาทไว้หาอาหารมีจีวรไว้เป็นเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเนื้อผาอยู่ตามถ้งอยู่ในป่าอยู่ในเขาไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าน้าค่าไฟสบายของฟรีมีอยู่ไม่ใช้กันชอบไปใช้ของที่เสียเงินเสียทองกันสร้างบ้านกันหลังนะสิบล้านสร้างไปทำไแล้วสร้างก็มันก็ได้อยู่อยู่แค่แต่พาะเวลามานอนเท่านั้น พอเช้าก็ออกจากบ้านไปนะสร้างให้คนใช้อยู่บ้านใหญ่ๆโตๆนี่ไม่ค่อยมีคนอยู่เจ้าของไม่ค่อยได้อยู่มีแต่คนใช้อยู่เจ้าของก็ไปหาเงินหาทองไปเที่ยวไปเล่นอะไรกันก่อนจะกลับมาก็ถึงเวลานอนนะพอตื่นขึ้นมาก็ไปนะสร้างบ้านเป็นราคาต้องเป็นสิบล้านร้อยล้านแต่ไม่ได้อยู่สร้างให้คนใช้อยู่ อ้างไว้อวดเพื่อนฝูงว่าฉันมีบ้านใหญ่โตท่านั้นเองมีหน้ามีตาหน่อยคนเขาชมเราหน่อยโอ้ยรวยอย่างนั้นรว ย, ยนี้ดีออกดีใจพอเงินหมดมีใครก็มาชมเราหรือเปล่าเงินหมดเพื่อนก็หายหมดเพื่อนกินน่ะเยอะเพื่อนตายเนี่ยหายยากเพื่อนที่เพื่อนที่พร้อมจะตายกับเราเนี่ไม่ค่อยมีแล้ว เนี่ยมีแต่เพื่อนที่พร้อมจะกินกับเราเนี่ยเยอะลองแก้จนดูสักวันหนึ่งเลยดูจะมีเพื่อนมาหาหรือเปล่าลองประกาศล้มละลายดูแก้ประกาศล้มละลายดูจะมีใครจะยื่นไม้ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือเราไหมเอาเงินขนงเราไปใช้ก่อนเลยไหมเราจะช่วยให้ยากถ้ามีก็สแสดงว่าคนนั้นเป็นเพื่อนแท้ ถ้าอยากจะรู้ว่าเพื่อนแท้เป็นยังไงก็ลองทำตัวให้จนดูสักวันเ้วก็จะรู้ว่าเพื่อนจริงเพื่อนแท้เป็นอย่างไรอย่าไปหลงกับการมีอะไรเลยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่สุขสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวก็อยากมีเพิ่มขึ้นไปเพอมีความอยากแล้วก็มีเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขแล้ งั้นมาหัดบวชกันไปบวชทักสามวันแล้วไปนั่งเฉยๆไปนั่งพุโทโธพุโทโธไม่ต้องทําอะไรถ้าหยุดความอยากได้ใจจะสงบแล้วจะเย็นแต่ถ้ายังไม่สงบมันจะเครียดเพราะกิเลสมันไม่ยอมมันจะดิน้นมันจะเอานู่นเอานี่จะทํานู่นทนํานี่ตอนนั้นจะอึดอัดจะทรมานจะทําให้รู้สึกนั่งเฉยๆไม่เป็นสุขกันที่นั่งไม่เป็นสุขไม่ใช่เพราะว่ามันมันไม่สุข ที่มันไม่สุขเากิเลสเพราะความอยากมันไม่ยอมนั่งเฉยๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้หยุดความคิดได้ปั๊บเนี่ยความหมึดอิดความอะไรมันหายไปหมดเลยความเบาอกเบาใจความสบายอกสบายใจจะโผล่ขึ้นมาทันทีต้องนั่งให้มันชนะความอยากให้ได้ใหม่ๆนั่งแล้วก็อึดอัดอยากจะลุกอยากจะไปทํานู่นอยากจะทํำนี่อยากจะดูนั่นอยากจะดูนี่อยากจะกินนั่นอยากจะเหื่อมนี่ มันก็เลยทำให้เราอึดอัดขึ้นมาถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยไม่ไปสนใจกูจะสู้กับมึงเนี้ยกูจะไม่ไปทาตามที่มึงอยากเนะียเดี๋ยวสักพักหนึ่งมารู้ว่ามันไม่ได้นังใจมันก็ยอมแพ้เองมันก็หยุดเองพอมันหยุดแล้วใจก็เบาใจก็โล่งใจก็สบายเหมือนยกภูเขาออกจากอกเนะีย่ยต้องสู้กับความอยากแบบนั้นต้องยอมตายอย่าไปอ ย, าอย่าไปยอมแพ้มันยอมตายดีกว่า มันอยากจะดูรู้บอกไม่ดูอะยอมตายถ้าไม่ได้ดูแล้วตายยอมตายถ้าต้องทรมานนั่งอยู่ตรงนี้แล้วตายเพราะไม่ได้ไปดูตามที่มันอยากดูก็ยอมตายตรงนี้แหละถ้ายอมมีนี้แล้วเดี๋ยวมันยอมแพ้เราเองพอมันยอมแพ้แล้วความเครียดความอะไรหายไปหมดเลยเหลือแต่ความเบา อ, อกเบาใจสุขใจสบายใจปรากฏขึ้นมา เนี่ยตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความหนัก อ, อกหนักใจนี่ก็คือความอยากนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกพอชนะมันปั๊บมันหา้ไปปุ๊บนี่โอ้ทุกอย่างเบาหมดเลยเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจดังนั้นขอให้เร า, เาประกาศว่าศัตรูของเราไม่ใช่ใครที่ไหนอไอ้ความอยากนี่แหละ เจอมันที่ไหนฆ่ามันเลยฆ่าแบบฆ่าความอยากไม่ติดคุกไม่ติดตารางด้วยได้รางวัลด้วยได้ความสุขด้วยฆ่ามันแล้วเราจะมีความสุขมากเวลาอยากจะซื้อกระเป๋าก็ฆ่ามันเลยไม่ซื้อเอาเงินไปทำบุญเอาเงินไปทำบุญปั๊บก็ไม่มีเงินซื้อกระเป๋าแล้วความอยากซื้อกระเป๋าก็หายไปแล้วเพราะไม่มีเงินซื้อถ้ามีเงินซื้ออะไรเอาไปทาบุญให้หมด ไม่อย่าให้มันซื้อของตามความอยากแล้วต่อไปมันจะไม่อยากซื้ออะไรแล้วก็จะสบายไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนถ้าซื้อแล้วมันต้องอยากซื้ออีกแล้วเดี๋ยวไม่มีเงินซื้อก็เดือดร้อนขึ้นมาต้องต้องฆ่ามันทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมานี่ต้องฆ่ามันให้หมดฆ่ามันแล้วต่อไปมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อย ต่อไปก็จะไม่มีอะไรมาทำให้เราหกรดเกลียลำคาญใจอยากจะดูละครก็ปิดทีวีหรือยกทีวีให้คนอื่นไปเลยไม่ต้องมีทีวีในบ้านเราไม่ต้องดูมันให้มันรู้แล้วรู้รอดไปมันจะตายเพราะไม่ได้ดูทีวีให้มันรู้ไปนั่งพุโทโธแทนแต่ที่นั่งดูละครก็นั่งพุโทโธพุโทโธไปแทนใจสงบมีความสุขกว่าเราไม่ต้องมีทีวีต่อไป มีละครกี่เรื่องมันก็เหมือนกันละครน้ำเนา่าแย่งผัวแย่งเมียแย่งทรัพย์แย่งสมบัติกันก็มีแค่นั้นนะมีอะไรดูกันมากี่ครั้งกี่เรื่องมันก็แบบเดียวกันนะั้นนะข้าใ จ, ใจไห<ป>มไปบวดซะสามันไปนั่งเฉยๆหยุดความอยากให้ได้แล้วจะสบายใจเอาแล้วนะจะให้พร ใครมาทีหลังอยากจะถวายข้าวของหรือมารับหนังสือซีดีก็เอามารับได้นะหนังสือซีดีแจกนะเอาไปอ่านเอาไปฟังจะได้ไม่ต้องมาเนี่ยที่พูดวันนี้อาจไว้ใส่ไปในแผ่นซีไปเปิดฟังที่บ้านได้ฟังในรถก็ได้ไม่ต้องมาที่นี่หรอกหรือมีเครื่องมือถือก็เปิดดูถ่ายทอดสดได้เนี่ยถ่ายทอดในเฟ e บุ o k ทั้งวันเนี่ยบ่ายสองโมงถึงสี่โมง เรายังเก็บไว้ดูซ้ำสร้างดูซ้าต่อได้มีเป็นร้อยแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาก็ได้ ม, มีคนดูยูทูบมีเยอะ5 <ะ>้ห้าสิบ้าคนอ๋อห้าสิบห้าแล้วเฟซอ่ะ317ค่ะเฟซเนี่ยอยู่ประมาณเท่าเดิม นานๆก็ขึ้นถึงสี่ร้อยห้าร้อยทีครั้งแต่มามาดูทีหลังเป็นพันนะรับชมเป็น 8, 9, นะแปดเก้าพันเราเข้าถึงนี่เป็นแสนทุกวันนะอย่างนี้คนเข้าในนะเพจ น, นี้วันละแสนกว่าวันอาทิตย์ละล้านกว่าล้านสองล้านสามถ้าคนที่เข้าถึงนี่บริจากคนละบาทนี้ก็ได้อาทิตย์ละล้านกว่าเนะ อันนีนเป็นงานที่ยังไม่ได้ทำส่วนใหญ่ที่ทำมันเป็นวันเสาร์วนอาทิตย์เนี่ยทีนี้มันมีถ่ายทอดสดวันธรรมดาก็เอาวันที่ที่ถ่ายทอดสดวันธรรมดามาใส่เป็นอีกชุดหนึ่งเรียกว่าชุดสนธนาธรรมบนเขาถ้าธรรมะบนเขาก็จะเป็นธรรมที่แสดงวันเสาร์วนอาทิตย์วันหยุดราชการก็เลยมีมันจะไปคนละรูปแบบ อพ่อแม่ต้องสอนลูกก่อนถ้าไม่สอนลูกก็ทำไม่เป็นใช่ครับต้องสอนใช่ครับ เ, เ, เราต้องสอนเขาถ้าเราสอนเขาก็ทำเกายังถามว่าทำไมต้องทำบุญให้พระ เ, <c oughs> เอพราะพระไม่มีกินเองเพราะอาหารกินเองไม่ได้อะลยต้องให้คนอื่นหากินให้เพราะว่าพระไม่มีงานอย่างอื่นทำเลยครับ <c oughs> ออเอย่าอดเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเสร็จกันเดีย๋ยวคุยยังไม่นสนุกคุยแล้วต้องให้มันคุยยาวไปเลยเดี๋ยวมันขาดตอน <c oughs> ขอพักกินน้ำก่อนพักหายใจก่อน <c oughs> อามำถยอาาถยทำถายนี้ <c oughs> สาธุครับุย้อยืยืนยาวนานานะ อย่ให้เกินร้อยนะอมว่าในอายุยืนขอให้คุณแม่ยืนล้อจีเนีแต่ไม่เกินเน่ยไหมครับให้เกินร้อยให้เกินร้อย่ะยังแข็งแรงยังบุญได้อ่าได้ทำบุญนานๆนะอยู่ไปเพื่อทาบุญนะถามมาอยากจะถามผู้เสียงนั่งๆเขาจะได้ยินเสียงคำถามพอดีพันกรณ์ได้ได้ไปฟังมะ ่านบไกวหาขยับไปนเะร า, นะาจะอ ย, อ ย, อยเกิดการนี้เป็นทางโน้นเเนี่ยไป น, นั่งางน้นคือไม่ทราบการพรมน้ำมนต์เนี่ยเป็นพิธีทางพุทธหรือเปล่าคะมีอยู่ในยเขาใ่ปิฎกไหมไม่มีหรอกไม่รู้มีหรือเปล่าไม่เห็นมแต่สอนให้ปฏิบัติไม่ได้สอนให้ไรักน้ามนต์ที่ไหนเลย าาทบบเทออ่าที่ได้ศึกษามานะ่ะก็ไม่รู้นะมีคนก็บอกว่าอุะเจาใไปพรมปะพรมน้ำมนต์ให้เราก็ไม่รู้ว่าจริงเปล่าแต่ไม่มีเลยก็ไปตดอก้นเราเราอ่านไม่เจอเมันไม่ไม่เจอเ<ม><ม>จอแต่ให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนา คนน้ามนต์กลอาอยู่ทุกวันแล้วท่านไม่ให้พระอาบให้ทําไมน้ําน้ําน้ำนี่ก็น้ำน้ําที่เราอาบนี่ก็น้ำมนต์เท่านั้นอ่ะเห็นเห็นบางบางหลวงพี่ก็บอกว่าการการที่เราสวดมนต์นี่คือน้ํามนต์นี่มันมาจากพระท่านสวดใช่ไหมคะมันจะทําให้โมเลกุล l ของน้ําที่เปลี่ยนเป็นเป็นอะไรที่ดีอ่ะเปลี่ยไปพิสูจน์ได้ป่ะอะโมเลกุนดีโมเลกุลไม่ดีเป็นยังไง ถ้เห็นนณิตวิทยาศาสตร์ที่ญี่ปุ่นเขาไปขยายดูเขาบอกว่าโมเลกุล น, นองน้ำที่ผ่านการสวดมนต์มาแล้วนี่จะสวยมากเปลียนแต่ละเปลือสวยก็มแต่มันคือถ้าเราดื่มเข้าไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยค่ะไม่ทาบจิตหรแล้ ว, ลวตายไม่ตายน่ะที่เปอกเนเี้ยพอ้ที่เปลือกน้ามนต์แล้วตายแล้วไม่ตายไม่ที่าบอกเ่าน้มนต์ไปรักษาโกนั่นแหละแล้วมันหายไรป่าไม่เย็นของใช่ก็อย่าไป ถ้ายัางเราไม่ได้พิสูจน์เราก็อยา่าเพิ่งไปเชื่อกันแล้วกันอให้ฟังหูไว้ ห, วเหูเดี๋ยวมันถูกหลอกเดี๋ยวน้ำมนมาขายกันยุ่งนะเดี๋ยวน้ำมลวันนี้เราจะยุ้อยืนยาวนานที่แต่เห็นที่ที่เขาเอ า, เอาลงในยูทูบที่เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ตที่เาไปขยายมาจากจนเห็นนะเป็นโมเลกุลนะอา่าเนี่ย น, นะเขาจะพูดยังไงก็ฟังหูไว้หูแล้วกันเอ่ เอามาพิสูจน์ดูอ่ะเขาว่าดีก็ไปเอามาลองเดื่มดูสิดิมแล้วดูว่าโรคภายไข้เจ็บมันจะหายเลยมเหตุและเหตุการที่บอกว่าสวดมนแล้วก็ทําไม่ต้นไม้นี่มันเจริญติบโตก็แบบเดียวกันก็ลองดูสิก็ลองไปก็ลองสวนดูสิไม่ต้องลดน้ำมันอ่ะก็บวกมาแล้วไม่ต้องลดน้ำไปสวดไปสวดเฉยๆดูนามันจะเจริญงอกงามไหมเขาบมันจะตตเร็ว่าต้นไม้ที่ที่เราไปนั่งแช่งมันอ๋ออย่างนี้เลยอ๋อยังก็ดี แสแดงว่าเราขังก็ได้แช่งก็ได้สวยก็ได้<ง an>ไมีมีสองสองสองต้นอะไรเงี้ยมีสพวงนะคะสองพวงบบนั่นแหละแบบเนี้ยเราก่อนที่จะเชื่อวเราไปทดสอบก่อนไปพิสูจน์ก่อน <c oughs> <c oughs> ก็ลองไปซื้อซื้อต้อนไม้มาสักป้นสองต้นเนี่ยต้นนึ่งสวยให้มันทุกวันต้นไม่สวดแล้วดูเลยว่าต้านไหนมันจะโตกว่ากันพิสูจน์ได้เนี่ยของพวกนี้ <c oughs> ใช่ไหม มาถามเราตรงไหนเราไม่ไ ด, เไได้เราไม่ได้พิสูจน์เราก็บอกไม่ได้เราไปพิสูจน์ดูเขาบอกว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะดีกว่าอย่างนั้นก็ลองทําดูทั้งสองอย่างนดงแล้วถ้าเป็นจริงเราจะต่อไปเราจะปลูกต้นไม้เราจะได้ไปนั่งสวนมนให้มันทุกวันยันชาวนาชาวไร่ก็สบายต้นข้าวไม่งอกเข้าไปนั่งสวนมนที่ที่ไร <laughs> ่ที่นากันเดี๋ยวก็งอกขึ้นมาโอ้ เนี่ยต่อไปต่อไปข้าในเมืองไทยก็ก็จะขายดีกว่าข้าเมืองประเทศอื่นเลยเพราะมันโตเร็วปีหนึ่งปลูกได้สามครั้งสี่ครั้งดีมหมยขาบอกว่าไม่ใช่ฝนบนไหนคือต้ตงแผ่ด้ป่าอ่าแผ่ด้วยอะไรด้วยเอาเลย <c oughs> มันจะว่าบ้ากันใหญ่เนาะเราสวนมันไม่ได้สวนให้ต้นไม้ เขาแผ่เมตตาเขาไม่ได้แผ่ต้นไม้พวกนี้พวกบ้าแล้วลูกส่วนมูลเพื่อส่วนให้เราให้ใจเราสงบการสวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อให้เราเป็นคนมีเมมีมีความรักผู้อื่นไม่ให้เกลียดผู้อื่นเออผิดเป้าหมายแล้วผิดเป้าหมายของการสวดมนต์การแผ่เมตตาแล้วเล่นมาสวดให้ต้นไม้มันโตแผ่เมตตาให้ต้นไม้มนโตเป็นบ้ากันใหญ่นะ้เข้าใจไหมอ่า แต่เราไม่อยากจะพูดเนี่ยลองไปพิสูจน์ดูเอาดีกว่าเดี๋ยเทงเงินปากเถียงกันปากเฉี่ยปากฉีบไปว่าคุณไม่พิสูจน์ดูแล้วเดี๋ยวคุณเห็นกับตาคุณเองอไปซื้อต้นไม้มาสองต้นเนี่ยแล้วยากมันว่าคนละมุมต้นหนึ่งก็ไม่ต้องไปสวนให้มันส่วนไอ้ต้นหนึ่งแล้วดูว่าต้นไหนจ ะ, จะโตมากจะจะโตเลยวกว่ากันเดือนสองเดือนก็นกรู้แล้วหล่ะเนื้อย่างนี้ใช่อย่างคนที่ป่วนนี้เราก็เหมือนกันอย่ามันย่ามาถามนะพอแนละ้วไปพิสูจน์ไปพอแนละ้ว เรื่มันต้องไปสูดมาถามเราทําไมเออถามเราแล้วก mm ็ตอบไม่ได้ก็เราไม่เคยทํำเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราไม่ต้องการที่จะมารักษาร่างกายเราด้วยการสวดไม่สบายแล้วก็ไปหาหมอหายามากินเท้หายก็หายไม่หายก็ตายมีเท่านั้นเองอ๋อที่เขาสวดทอชงกันสวดให้ใจสบายไม่ได้สวดให้คนป่วยอ๋อไม่ได้สวดให้คนป่วยสวดให้ใจของคนป่วย ใจคนป่วยได้สบายตรงได้ยอมตายมันก็ไม่ได้ปวดไม่ใช่สวดเพืไม่ให้มันตายไม่ตายสวดให้มันตายแต่สวดให้ยอมตายยอมตายแล้วก็จะสบายใจให้ที่มันทุกข์เพราะไม่ยอมตายกันเพราะอยากอยู่กันอะไรนะว่าาน youtube ก่อนมหมยูทูป<ม>ยังไม่มีชาลานไม่มา ท <Tony S 2> อนนี้ไม่ม า, า Where are you Tony Where are you Charan? Calling you from Thailand <laughs> If you listen Send in a hello Say hello ถ <c oughs> าว่ามาคำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณจิรพัฒนข้อที่หนึ่งการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนั้นมีหลักในการพิจารณายอย่างไรครับ ว่าเราก้าวหน้าแล้วมีสิ่งใดใช้วัดผลนอกจากความสงบที่เกิดขึ้นคือทํามากทําน้อยอ้าทํามากขึ้นมากขึ้นก็แสดงว่าเก้าวหน้าแล้วเช่นเคยนั่งมาหชั่วโมงเพิ่มเป็นสองชั่วโมงนี้ก็เก้าหน้าแล้วเพิ่มเป็นสามชั่วโมงเพิ่มเป็นสี่ชั่วโมงเพิ่มเป็นห้าชั่วโมงนี่ก็เรียกว่าเก้าหน้าแล้ ว, ว, ลว <st> ถ้ า, านัา่งแล้วถ้าเคยนั่งชั่วโมงแล้วลดเหลือครึ่งชั่วโมงเนี้ก็ไม่เก้าห น, าน้าแล้ว นะอันนี้ก็ดูส่วนหนึ่งดูที่เหตุแล้วก็ดูที่ผลด้วยเมื่อเพิ่มเห็นแล้วผลกเ็เพิ่มตามหรือเปล่าความสงบมากขึ้นหรือเปล่าความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัววัดอีกตัวหนึ่งต้องวัดหลายตัวด้วยกันข้อที่สองแล้วในช่วงระยะไหนที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์เพื่อไม่ให้ผิดทางครับ ช่วงที่เรายังปฏิบัติเองไม่ได้บางทีเราปฏิบัติเองแล้วมันทะเลทลายปฏิบัติปั๊บเดี๋ยก็ไปนั่งดูทีวีแล้วเดี๋ยวก็ไปเปิดดู Facebook ดูอะไรแล้วถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็จะลิบทีวีรีบโทรศัพท์ห้ามเนี่ยบางวัดเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าวัดละเขารู้แล้วว่ามันช่องของกิเลส่อไปแล้วก็ไปแอบดูกันซี่กุติเปิดดูกันทั้งคืนแทนที่จะดูฟุตเทลนั่งดู เฟซบุ๊กดูว่าคนนั้นด่าคนนี้ดูไปดูกันมาแล้วก็พุ่งสร้างอย่างนั้งนต้งถ้าเรายังปฏิบัติแล้วยังไม่มีวินัยในตัวเองควบคุมตัวเราเองไม่ได้บังคับตัวเราเองให้ปฏิบัติเองไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่กับครูบราอาจารย์แล้วท่านจะคอยกำหลาบคอยจ ะ, อะคอยจะคอยควบคุมดูแลเวลาเราออกนอกรู่นอกทางท่านก็จะได้เตือนท่านจะได้บอก คำถามจากคุณเพนพันธ์วิจิตกิจชาแตกต่างกับความสงสัยทั่วไปไหมคะอันนี้ความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิจิตกิจชายังไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้านี้จริงหรือเปล่าคําสอนของพระเจ้าปฏิบัติแล้วจะได้ผลจริงหรือเปล่าพระสงสาวกนี้มีจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นวิจิกิจชาในพระพุทธศาสนาคือความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางคนไม่เชื่อวพระพุทธเจ้ามีจริงนะ คิดวาเป็นนิยายเพราะเวสันดอนเนี่ยคิดว่าไม่มีไม่คิดว่าเป็นนิยายพร ะ, ะคำสอ น, นต่างๆที่พระเจ้าสอนเนี่ยบางคนไม่เชื่อว่าเป็นความจรงิงพระพระมหานายกรอยคอกลางทะเลเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นนิยายไม่ใช่นิยายเป็นความจรงิงเป็นคำสอนของพุทธเจ้าเป็นเรื่องจรงิงเพราะเวสันดอนนี่ก็เป็นเรื่องจรงิงเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าําลึกชาติได้แล้วก็มาสอนพวกเราให้เป็นดูเป็นตัวอย่างของการทําความดีว่าทําความดีแบบไหนทำแบบทำอย่างไรถ้าอยากจะทําทานต้องดูพระเวิษณ์ดอนเป็นตัวอย่างถ้าอยากจะรู้ว่าทําทางขนาดไหนถึงจะได้เต็มร้อยนั่งดูพระเวสษณ์ดอนทาแบบนั้น่ะเต็มร้อยหมดเลยใครอยากจะได้ลูกอยากได้เมียก็ยกให้เลยนั่นแหละถึงจะเรียกว่า พระมหาชนกก็ดูความเพียรความขยั น, นลอยคอยอยู่กลางทะเลก็ไม่ยอมแพ้ไหวไปเรื่อยๆความพยายามอยู่ที่ไห น, นเดี๋ยวความสำเร็จมันก็อยู่ที่นั่นถ้าไม่ทำพอยกธงขาวมันก็จบแล้วอันนี้เนี่ยเป็นบางคนคิดว่าเป็นนิยายนะคิดว่าเป็นเรื่องอเขาแต่งกันขึ้นมาหลอกให้พวกเราทำความดีกันเรื่องสวรรค์เช่นต่างๆนี่บางคนฟังแล้วก็หัวเราะเลยใช่ไหม โอ้สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรมเนี่ของพวกนี้เป็นของจริงใช่ไหมเป็นแต่เราไม่มีตาเห็นเราไม่มีดวงตาที่จะเห็นของพวกนี้เราก็เลยไปคิดว่ามันไม่มีคนที่เขามีตาเห็นโลกทิพย์เขารู้ว่ามีของพวกนี้มันเรื่องของโลกทิพย์สวรรค์นะโลกนี้มันอยู่ในโลกทิพย์มันไม่ได้อยู่ในโลกกระทาที่เราอยู่กันนี้ขอให้ค้นหาในโลกกรนทาหาไม่เจอหรอกในโลกและสวรรค์ไม่มี ขุดลงไปลึกเท่าไหร่ในดินก็ไม่เจอนรกบินขึ้นไปท้องฟ้าสูงขนาดไหนก็ไม่เจอสวรรค์เพราะมันไม่ได้อยู่ที่ในโลกนี้มันอยู่อีกโลกนึ่งอยู่ที่โลกทิพย์เนี่ยคือวิจิตกิจารองคนที่ไม่เชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อว่าพระตจ้ามีตาทิพย์เห็นโลกทิพย์ได้ไม่เชื่อว่าพระอริยสงสารมีตาทิพย์เห็นโลกทิพย์ได้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดได้เห็นการไป ใช้บุญใช้บาปในนรกในสวรรค์พวกนี้มันไม่มีตาทิพย์มันมองไม่เห็นกันเหมือนพวกที่ไม่ดำน้ำก็มองไม่เห็นของที่อยู่ใต้น้ำใช่ไหมพวกที่ก็ดำลงไปดำน้ำก็เห็นกันเยอะแยะมีสมบัติอะไรต่างๆเยอะไปหมดเรือจมไว้ไม่รู้กี่ปีมาแล้วไปคนไปหาไปได้สมบัติกันมาเพราะเขามีตาดูใต้น้ำได้ก็มีเครื่องอ่าเาเรียกอะไร อุปกรณ์มีหน้ากากมีเครื่องหายใจยเขาก็ลงไปดูของที่มีอยู่ใต้น้ําได้พวกที่นั่งสมาธิเขาก็มีตาทิพย์กันเขาก็มองเห็นโลกทิพย์กันเน้นนะเราถ้าเรายังมองไม่เห็นเราก็มีทางเลือกสองทางเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรายังมองไม่เห็นด้วยตัวเราเองเราก็ต้องเชื่อก่อน ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่มีวันที่จะเห็นได้เพราะถ้าเชื่อแล้วเราจะได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนพอท่านสอนแล้วเราก็จะได้ตาทิพย์ขึ้นมาถ้าลรริยสงสาวตอนต้นท่านก็ไม่มีตาทิพย์เหมือนพระพุทธเจ้าพอได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อทิพย์ได้เปิดตาไงนะพอเปิดตาทิพย์ก็เห็นโลกทิพย์ได้ในเบื้องต้น ถ้ายังไม่เห็นเองก็ต้องเชื่อก่อนถ้าไม่เชื่อก็หมดเหมือนเราเชื่อหมอเนี่ยเราไปหาหมอเราไม่รู้หมอคนนี้รักษาโรคให้เราได้ไไหรือเปล่าไปโรงพยาบาลบางทีไม่รู้จักหมอคนนี้เลยใช่ไหมแต่ถ้ามันเราเชื่อหมอให้ยามากินเราก็กินใช่ไหมถ้าเราไม่กินเราจะเราจะรู้ว่าหายหรือไม่หายใช่ไหมเราก็นายงอเสียงแล้ววะใช่ไหมเ ช, ช, ช, <ๆ>ชื่อไว้ก่อนอย่างนั้นยม่มีโอกาสหาย ถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีไม่มีวันหายเลยฉะนั้นยอมเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนยอมถูกให้ยอมถูกให้พระพุทธเจ้าหลอกเราก่อนอยังดีกว่าไม่เชื่อถูกถูกหลอกก็ไม่เห็นเสียอะไรเราไม่เสียเงินเสียทองไม่เสียอะไรแต่ถ้าเราเชื่อแล้วเราลองไปปฏิบัติแล้วมันเป็นจริงอย่างที่ท่านพูดเราก็จะได้กําไรไม่ขาดทุนฉั้นการเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงฆ์สาวกเชื่อพระธรรมคําสอนเนี่ย ไม่ได้เป็นสิ่งที่ขาดทุนเลยท่านไม่เชื่อกันไม่ต้องใส่ไม่ต้องจ่ายเงินดาวไม่ต้องผ่อนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่เหมือนไปซื้อบ้านเนี่ยต้องผ่อนคอนโดยังต้องเชื่อว่าะว่าเขจะสร้างให้เราเสร็จใช่ไหมเราจึงไม่ผ่อนดาวกันนะถ้าดีไม่ดีสร้างไม่เสร็จก็มีแต่ก็ต้องเสี่ยงแล้วใช่ไหมถ้าอยากจะได้คอนโดอถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าคําสอนพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ก็ต้องเสี่ยงเลยวะ ก็ต้องเชื่อก่อนนะเชื่อแล้วปฏิบัติตามแล้วเดี๋ยวก็รู้เองว่าจริงหรือไม่จริงพอเป็นพระโสดาบันก็หายสงสัยเลยวิจิกิจจาหายหมดเลยเห็นธรรมอยู่ในใจเห็นโลกทิพย์อยู่ในใจขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหายสงสัยเลยไปเลยเห็นโลกเห็นสวรรค์นี่หายหมดทีนี้ไม่เอาอะไรแล้วจะเอาไปนิพพานอย่างเดียวนะว่าะไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากันนิพพาน อไปคำถามจากคุณจูนการไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้คนเราต้องสละเวลาแรงกายแรงใจจะได้บุญเหมือนหรือต่างจากการทำบุญด้วยเงินอย่างไรบ้างคะก็จะไม่ได้เงินไงเวลาชาติหน่ากลับมาเกิดก็จะไม่รวยแต่จะมีกำลังวังชาที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้เราให้อะไรเราก็จะได้อย่างนั้นกลับมาถ้าเราไม่ทาบุญทำทานเราก็จะไม่ได้เงิน เหมือนถ้าเราไม่เอาเงินไปฝากธนาคารแล้วเราจะไปเบิกเงินจากธนาคารได้ยังไง <Yeah. S 1> เราเอาเอากำลังไปช่วยธนาคารมันล้างช่วมให้เขาไปกวาดถูธนาคารให้เขาเวลาจะไปเบิกเงินเขาจะให้เราเบิกเงินจากธนาคารหรือเ่า <Yeah. S 1> เขาไม่ให้หรอก <Yeah. S 1> เขาก็จะให้เรามีงานทำอ่ะขยันทำงานก็มาทำงานกับเขาได้เรฉั้นบุญแต่ละอย่างมันก็จะให้ผลไม่เหมือนกัน ทำเงินด้วยบุญด้วยทองมันก็จะได้บุญได้เงินได้ทองกลับมาถ้าทําด้วยแรงกายก็จะได้กําลังกายกลับมาถ้าน้าก็จะมีกําลังกายแข็งแรงสามารถที่จะไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ได้ทําอะไรได้คำถามจากคุณโนการระลึกถึงความตายให้ระลึกอย่างไรครับอ่าหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายคิดแค่นี้ คําถามจากคุณเดียทํากรรมฐานในชีวิตประจําวันอย่างไรครับเนียเขาให้คิดถึงความตายก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายพอรู้ว่าจะต้องตายจะได้ปร่งไม่เอาละเงินทองเข้าของแฟนลูกเต้าอะไรต่างๆ ต, ตายไปก็ออกไปไม่ได้ทั้อันจะได้ปร่งได้จะได้หายโรคหายอยากแล้วจะอยู่อย่างมีความสุข อยู่แบบขอทานอย่างมีความสุขไม่ต้องรวยสู้ดีกว่าอยู่แบบแบบคนรวยแต่มีความโลภลืมตายกันพอลืมตายแล้วมันก็โลภอยากได้อยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ก็เสียใจพอได้ก็อยากจะเพิ่ได้เพิ่มไปอีกมันก็จะวุ่นวายไปตลอดจนถึงวันตายพออยู่ดีๆจะตายขึ้นมาก็ตกใจแต่ถ้าคิดถึงความตายอยู่เรื่อ ย, อยมันก็จะปงกูมไม่เอาละเดี๋ยวกูก็ต้องตายลว เดี๋ยวไม่หายใจเพิ่มันก็ตายแล้วอะไรก็ออกไปไม่ได้ก็เลยอยู่แบบขอทานได้อยู่แบบไม่มีอะไรได้ไปบวชได้เนี่ยพวกที่ตอนนึกถึงความตายแล้วเขาก็ไม่รู้จะเอาอะไรลูกเมียก็ไม่อยากได้สามีก็ไม่อยากได้ทรัพย์ ส, บสมบัติข้าวของเงินทองก็ไม่อยากได้ถ้าอยากได้อะไรก็อยากจะได้ความสงบความสบายใจก็ไปบวช ด, ดีกว่าคำถามจากคุณซีเนม อยากให้คร้าอาจารย์อธิบายถึงวิธีดูลมหายใจเข้าออกครับอเวลาหายใจเข้าก็ดูมันสิไปดูทีวีทําไมต้องมาอธิบายว่าดูยังไงหรืล่าดูทีวีก็เปิดสิปิดแล้วก็นั่งดูมันไปลมหายใจมันก็มีอยู่ตลอดเวลาก็ดูมันไปเท่านั้นเองจะให้ต้องอธิบายอะไรวะมันไม่ใช่เป็นของลึกลับตรงไหนเออถ้าลมหายใจนี้มันไม่รู้อยู่ตรงไห น, นหาไม่เจอจะบอกให้รมหายใจก็อยู่ที่ปลายจมูกนะั่นแหละดูตรงนั้นนะ่ะ ลองดูตรงนั้นน่ะเดี๋ยวก็จะรู้เองเวลาลมเข้ามันก็เข้าตรงนั้นแหละเวลาออกมันก็ออกตรงนั้นแหละให้ดูตรงนั้น่เองแต่ให้มันดูนานๆอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าคิดปั๊บมัแสดงว่าไม่ได้ดูแล้วถ้าไปคิดทิ้งขนมนมเนยนี่ก็แสดงว่าไม่ได้ดูลมแล้วถ้าดูลมอย่างเดียวมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้แค่ให้มันดูอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าดูลมอย่างเดียวดูลมเข้าดูลมออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะสงบถ้ามันไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คำถามจากคุณสังขวันสีพิสุในพิสุในพระธรรมวินัยไม่รับและยินดีในเงินและทองแต่การรับตะเคีนใบภาวนาที่ระบุจํานวนเงินผิดวินัยหรือไม่คะในผิดไม่ยินดีเนี่ยขาให้ก็รับไปไม่ยินดีก็ได้ยินดีก็ได้อยู่ที่ใจของคนรับคนบางคนก็ยินดีบางคนก็ไม่ยินดีตามหลักท่านสอนว่าไม่ให้ยินดี เขาให้ก็ถนอมศรัทธาฉลองศรัทธารับไว้แล้วถ้าไม่ใช้ก็ไปทำบุญไปทำประโยชน์ต่อไปถ้าใช้ก็เก็บไว้ใช้ได้ถ้าจำเป็นขาดยารักษาลูกหรือขาดอะไรก็เอาไปซื้อได้แต่อย่าไปซื้อของที่มันไม่ใช่เป็นของที่ควรจะซื้อเช่นไปซื้อไอโฟนรุ่นใหม่ไปซื้ออะไรต่างๆของพวกนี้เป็นของฟุ่มเฟือยสำหรับพระไม่ควรใช้มัน คำถามจากคุณนาโนขันห้าคือทุกสมุไทยคือตัณหาตัณหาคือทําให้ขันห้าทุกอย่างไรครับขันห้าไม่ได้เป็นทุกง่ายแม่อันนี้ก็ผิดแล้วขันห้าก็เป็นขันห้าร่างกายก็เป็นร่างกายร่างกายมันไม่ทุกหรอกไอ้ที่ทุกคือใจใจที่ไปหลงยึดติดร่างกายว่าเป็นใจเนี่ยทำให้ใจทุกผู้ทุกคือใจร่างกายไม่ทุกข ร่างกายก็เป็นดินน้ำาลงไปผู้ที่ทุกข์คือใจที่ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจแล้วก็ยึดติดอยากให้ร่างกายไม่ตายพอร่างกายตายก็ทุกข์ขึ้นมาคำถามจากคุณอูพอนั่งสมาธิไประยะหนึ่งมันปวดที่เอวมากและรู้สึกว่าลำตัวตั้งไม่ตรง เราควรจะขยับตัวให้ตรงหรือนั่งในท่าเดิมในขณะนั้นคะไม่ควรไปสนใจแสดงว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิเราไม่นั่งดูล่างกายถ้านั่งสมาธิมันต้องดูลมอย่างเดียวหรือพุโทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นร่างร่างกายหรืออะไรที่ที่มันโผล่มาให้เรารับรู้เราอย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าใช้พุโทโธถ้าดูลมก็ให้ดูลมไป แลเดี๋ยวใจก็สงบแล้วเรื่องของร่างกายมันก็จะไม่เป็นปัญหาเวลาดูละครดูหนังไม่เห็นไม่นั่งดูร่างกายเลยเนี้ยเวลาดูหนังดูละครให้ดูที่จออย่างเดียวใช่ไมทำไมไม่เวลาดูลมนะไม่ดูลมอย่างเดียวขอให้เราดูดูลมแล้วก็ดูดูลละครสิแล้วใจก็จะสงบเนพอดูลมแป๊บเดียเดี๋ยวไปดูร่างกายปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เอียงตรงนู้นเอียงตรงนี้ มันก็ไม่ได้ดูลมพอไม่ดูลมจิตมันก็อะไรพุ่งขึ้นมามันก็ไม่สงบขึ้นมาอย่งนั้นเวลาดูลมให้ดูเหมือนกับเราดูทีวีเวลาดูละครนี่เราไปดูร่างกายเราไหมว่าเจ็บตรงนั้นโปวดตรงนี้เอียงซ้ายเอียงขวาหรือเปล่าไม่เหนสนใจเลยใช่ไหมดูแต่ละครเปตานี่เจ้าไม่ขับพิบเลยได้ซ้ําไปอย่างนั้นเวลาดูลมก็ให้ดูลมอย่างเดียวอย่าไปดูร่างกายอย่าไปสนใจ มันจะเอียงจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ช่างหัวมันอย่าไปสนใจให้ดูลงไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจิตก็จะได้สงบพอสงบแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่รับดูอะไรละไม่รับดูเรื่องของร่างกายคําถามจากคุณสุวัฒนาเราควรสวดมนต์บทใดทุกวันคะหรือบทใดก็ได้ก่อนจริญบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก่อน เพืะใหปลูกฝังศรัทธาให้แน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ส่วนแล้วควรจะไปอ่านคําแปลดูด้วยเราจะได้รู้ว่าเรากําลังสวดอะไรอีติพิโสพระกวาอัลลังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยอัลังสัมมาเห็นไหมอัลังก็แปลว่าพุทธเจ้านี้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมัมพุทธเจ้าคําว่าพระอรหันต์ก็คือผู้สิ้นกิเลส อาหังตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่สิ้นกิเลสด้วยตนเองแปลว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ดับกิเลสได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีอาจารย์สอนแต่ถ้าอาหลันตสาวกสวากขาตัวพระก็ว่าสุปฏิปันโนนี่ท่านเป็นพระอาหลังเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนท่านเลยเป็นอาหลันตสาวกไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นอาหานตระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสาวกก็แปลว่าเป็นผู้ฟังผู้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะได้เป็นพระอาหารตร ะ, ะจะได้เป็นพระอาหารเราต้องศึกษาเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครมีความสามารถอย่างไรคำสอนของพุทธเจ้ามีคุณสมบัติอย่างไรวิเศษอย่างไรอากาลิโกนี้แปลว่ายัางไ คือคำสอนพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เปลี่ยนไปกับการกับเวลาไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่ปฏิบัติกันอย่างไรถ้าสมัยนี้ปฏิบัติกันอย่างนั้นก็ได้ผลแบบเดียวกันสมัมที่พระพุทธเจ้าอยู่ปฏิบัติกันแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานกันสมัยนี้ไม่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแต่ถ้าปฏิบัติแบบเดียวกันก็ได้มรรคผลนิพพานเหมือนกันนี่คือความหมายของอาการลิโก เราสวดแล้วเราต้องไปอ่านคำแปลดูเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระพระสงฆ์สาวกเป็นใครพราะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรถ้าเรารู้แล้วเราจะได้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อสิ่งที่วิเศษคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีในคนทั่วไปการเป็นพาาาระอรหันต์นี่ไม่ได้หาหาได้ง่ายๆพวกเราเนี่ยมีใครเป็นพระอรหันต์กันบ้าง มีแต่กิเลสเต็มตัวกันทุกคนใช่ไหมกิเลสเต็มหัวใจความทุกข์ตลอดเวลาแต่พระเจ้านี้ไม่เหมือนพระเจ้านี้ไม่มีกิเลสแต่หัวใจไม่มีความทุกข์อยู่ในใจอันนี้คือความวิเศษของพระเจ้าเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วเราจะขนลุกเลยว่าโอ้คนอย่างนี้ก็มีด้วยนะคนที่ไม่มีความทุกข์คนที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นไปได้ยังไง ไม่ได้เพราะปฏิบัติไงสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนอันนี้ต้องไปอ่านไปศึกษาไม่ใช่สวดเฉยๆถ้าสวดเฉย ๆ, ๆก็เป็นเหมือนนอกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอเอาแก้วให้มันมันโยนทิ้งเลยใช่ไหมมันไม่เอามันมันจะเอากล้วยจ๋ากล้วยจ๋า <laughs> <laughs> พวกเราก็เหมือนกันสวดอิติโสกันไปสวดกันมาเดี๋ยวก็จะเอาขนมนมเลยนะ ขนมแล้วอยากจะกินกาแฟอยากจะกินขนมแล้วสวนแล้วเหนื่อยท่านที่สวนเราวจะสงบกับไม่สงบสวนแล้วหิวไม่คิดถึงพ่อพุทธเจ้ า, าถ้าไม่หิวเป็นพวกเราเราสวดเพื่อไม่ให้มันหิวให้เหมือนพ่อพุทธเจ้าเหมือนพระธรรมเหมือนพระสงค์คำถามจากคุณลักษ์หนูไม่ค่อยได้สนใจจาศัพท์ ความหมายทางธรรมเลยค่ะในการบวชเจวันทั้งแรกได้แต่ดูลมหายใจตามดูจิตดึงจิตกลับมาในสมาธิจิตจิตเป็นสมาธิได้ดีขึ้นทุกวันเป็นลำดับจากวันแรกจนถึงวันที่ห้าของการปฏิบัติธรรมปวดขาปวดหลังเป็นเน็ตคิดจะขยับเหมือนทุกครั้งแต่จิตนะขณะนั้นระลึกถึงเสียงหลวงพ่อจรันที่ไปบวชเจ้าค่ะ ให้อดทนไม่มีใครตายในการปฏิบัติจงกล้าหาญอย่ากลัวจึงอดทนต่อจากนั้นอาการปวดหายวับไปเหมือนกับไม่เคยปวดใจว่างเป็นปิติสุขจนน้ำตาคั่งขนขนหัวลุกและสงบลงออกจากสมาธิที่เล่ามานี้คือการรวมจิตหรือไม่คะก็รวมในระดับหนึงยังไม่รวมเต็มที่ถ้ารวมแล้วไม่ออกมารวมก็จะอยู่นานจะมีปิติจะมี ปิติจะหายไปสุขจะหายไปแล้วเหลือแต่อุเบกขาจะ่หรือกับความว่างที่สุขมากกว่าปิติสุขมากกว่าสุขคำถามจากคุณเอกคุณฝึกอาฝึกอาณาปานสติมาระยะหนึ่งแล้วพอเวลาออกจากสมาธิจะเห็นลมเปน็นขึ้นด้วยตาเปล่าทุกครั้งและเวลามองแสงแดดกลางวัน มันเหมือนจุดประกายไฟบางพังก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงเราต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับก็ปฏิบัติแบบปกติให้มีสติอยู่กับพุทโธไปเลยให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นให้อยู่ในปัจจุบันให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดคำถามจากคุณพัพผอน ลูกนั่งสมาธิเสร็จนอนก็พุโทโธหลับไปฝันว่าควายจ้องอยู่ทางทางพอดีเดินผ่านมันวิ่งไล่ผิดลูกถอดรองเท้าวิ่งหนีสุดชีวิตเปิดหนังสือทำนายฝันว่าอดทนลำบากตอนต้นตอนไปจะสำเร็จถ้าลูกเชื่อเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติอดทนต่อไปต้องสำเร็จแน่นอนลูกจะงมงายหรือว่าหลงไมเจ้าคะขณะที่มัน เป็นคําสอนที่ดีเอามาใช้ได้เกิดประโยชน์ก็ก็ไม่งมงายก็ต้องพิสูจน์ดูไม่ใช่เชื่อแบบไม่รู้ว่าเชื่อแล้วได้ผลอย่างไรหรือไม่ได้อย่างไรถ้าคิดว่าอดทนแล้วจะดีก็ลองอดทนไปดูถ้าได้ผลดีเราก็จะได้ไม่งมงายถ้าเชื่อแล้วไม่ได้ผลก็แสดงว่างมงายเช่นเชื่อว่าจุดทูปสามดอกแล้วขอเลขขอหวยแล้วก็ไปแทงได้จะรวย ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่างมงายเพราะแทงทีไรก็เหม้นถูกสักทีคำถามจากคุณวรินผมชอบฟังธรรมจากพระอาจารย์วันหนึ่งผมถูกขโมยขโมยเอาไปแต่กลับนิ่งๆแล้วคิดว่าคงเป็นเวรกรรมแล้วก็ไม่คิดอาฆาตหรืออยากได้คืนแบบนี้ผมคิดถูกไหมครับนั่นแหละคิดถูกนะคิดแล้วใจเราสบายไม่เดือดร้อนคิดว่าไม่ได้เป็นของเรา เป็นของยืมเข้ามาเจ้าของเขาม า, าคืนไปแล้วก็ให้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาถ้าเขาไปก็ถือว่าเขาไปกลับไปคืนสู่เจ้าของเดิมเขาก็แล้วกันเป็นของยืมเข้ามาถึงเวลาที่เจ้าของเข้ามาข อ, อาคืนไปก็ให้เข้าไปเราก็จะไม่รู้สึกเสียดายอะไรแต่ถ้าเราไปคิดว่าเป็นของเราเนี่ยเราก็จะเสียใจเราจะโกรธจะกินไม่ได้นอนไม่ลั อยู่ที่ความคิดของเรานี่แหละที่มาฟังธรรมนี่มันจะได้รู้จักคิดให้มันถูกคิดตามความเป็นจริงคิดเราจะทำให้เราสบายใจไม่ใช่คิดแล้วทำให้เราทุกข์ที่เรามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเอาความคิดของพระพุทธเจ้ามามาคิดกันเพระเจ้าสอนให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ของเราถ้าไปยึดไปติดมันจะทุกข์ถ้าปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์เนี่ยท่านสอนให้เราคิดอย่างนี้กัน อยายามคิดอย่างนี้กันแล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเวลาเสียอะไรเราก็จะเฉยเฉยบางทีสบายใจสิอ้อดีไม่ต้องเลี้ยงมันถ้าลูกมันจะไปก็ดีหมดภาระไปเช่นมันตายไปก็ดีไม่ต้องไปคอยมาปลุกมันทุกวันคอยทํากับข้าวให้มันกินคอยขับรถไปส่งมันที่โรงเรียนแล้วต้องคอยไปรับมันแล้วกลับมาอย่างดีไม่ดียังโดนมันด่าอีกมันไม่พอใจมันก็ด่าเราอีกทุกตีเราอีก ไม่มีมันก็สบายอหลงแต่ความหลงความงงงานก็ไปคิดว่ามีลูกก็มีความสุขก็เลยต้องไปทุกข์กับมันถ้ามองมีปัญญาแล้วก็ไม่มีลูกดีกว่าไม่มีสามีดีกว่าไม่มีภรรยาดีกว่าอยู่คนเดียวสบายกว่าคำถามจากคุณทินกรกระผมมีคําถามอยากจะถามพระอาจารย์ว่า การดูสื่อรามกอนาจารผิดสิงข้อสามหรือเปล่าครับยังไม่ผิดหรอกเพราะยังไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้เลยเป็นการกระตุ้นเท่านั้นเองเป็นการดูแลทำให้กระตุ้นอยากให้มีเกิดอารมณ์ขึ้นมาคำถามจากคุณ น, นัดเวลาสวดมนต์นานๆจะไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองนั่งสมาธิแล้วไม่ค่อยอยากจะออกไม่ค่อยอยากจะเลิกเป็นเพราะเหตุอะไรครับ เพราะเวลาจิตสงบมันก็ไม่มีความอยากเพราะมันมีความอยากมันก็จะอยูอย่เฉยๆสบายจะตายไปทำอะไรให้มันเหนื่อยทำไมนี่แหละพอจิตสงบแล้วมันจะไม่อยากทำอะไรแต่ไม่ได้หมายความขี้เกียจนะเมื่อออกจากสมาธิมาเมื่อถึงเวลาต้องทำอะไรก็ขยันทำแต่เวลาที่ไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ไปทำให้เหนื่อยเราเปล่าไม่ไปดูหนังไม่ไปฟังเพลงไม่ไปเต้นแล้งเต้นกาอะไรตา่างๆ นั่งเฉยๆสบายกว่าแต่เมื่อถึงเวลาต้องไปทำงานก็ไปต้องไปหาอะไรกินก็ทำไปทำความ้าทำอะไรก็ทำไปเมื่อถึงเวลาไม่ขี้เกียจอ่้คนที่มีสมาธิเห็นแต่ว่าเวลาไม่มีอะไรทําก็ขี้เกียจได้หมดแล้วค่ะหมนแล้วเลยอ youtube ก็ไม่มีไม่มีครับอังนี้มีไหม<า>มีใค ร, รอ่ะมีภาษาข้อหนึ่งครับอ่ว่าอะไร จากที่ฟังพระอาจารย์ได้แสดงทางมมาโดยรวมแล้วเป็นเรื่องของความอยากเวลาความอยากผุดขึ้นมาให้ฆ่ามันเลยการฆ่าความอยากนี้เป็นปัญญาหรือเปล่าครับก็ฆ่าด้วยสองวิธีด้วยสติก็ได้ด้วยปัญญาก็ได้แต่การฆ่าด้วยสติคฆ่าไม่ตายถ้าเป็นนักมวยก็แค่นับแปดยังไม่นับสิถ้าฆ่าด้วยปัญญาก็นับสิบ งั้ถ้าอยากจะฆ่าอย่างถาวรต้องฆ่าด้วยปัญญาแต่ถ้ายังไม่มีปัญญาก็ฆ่าด้วยสติก่อนเพราะสติมันง่ายกว่าพอมันผุดขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธสู้กับมันไปเลยพอเราพุโทโธพุโทโธไม่ไปคิดถึงความอยากเนี๋ยมันก็หายไปแต่ถ้าเราคิดว่าความอยากพาให้เราไปสู่ความทุกข์เราก็จะไม่อยากอีกต่อไปเช่นอยากมีแฟนไม่มีแฟนดีกว่าเว้ยมีแล้วก็ต้องทุกข์กับแฟนถ้าคิดอย่างนี้ปั๊บมันก็เลิก ม, มีแฟนได้ เลือกเลือกความอยากที่จะมีแฟนได้พอคิดถึงลูกพอมีลูกแล้วต้องมาปวดหัวกับลูกมันก็ไม่อยากจะมีแล้วมันก็มันก็ทําลายความอยากได้อย่างถ า, าวรต้องใช้ปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขกระจอย่างกระจายครับมีไหมไม่มีก็ดีแล้วเราจะได้หยุดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา